วันนี้บรรยากาศเทศนยากถ้าใจขอพวกเราวอกแวกวอกแวกนะรักษาอะไรก็ไม่ดีนะรักษาใจบัณฑิตรักษาใจไหมนค่จะพ้นจากทุกข์ทางปวงได้รักษาอย่างอื่นไม่พ้นะเดี๋ยวก็ทุกข์อีกรักษาใจรักษาด้วยสติและรักษาด้วยปัญญา รักษาด้วยสตนะิรักษาชั่วคราวกิเลสมาเราคอยรู้ทันนะความคิดชั่วร้ายเกิดขึ้นคอยรู้ทันนะจิตใจก็มีความสุขมีความสงบอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวถ้าเราพัฒนาขึ้นไปจนกระทั่งเกิดปัญญานะปัญญาเนี้ยมารักษาจิตใจของเราได้ดีมากเลยจิตที่อบรมดีแล้วมีความสุขมากจิตมันไม่ไหลเข้าไปก่อไปเกี่ยว กับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงอารมณ์ก็ส่วนอารมณ์นะจิตก็อยู่ส่วนจิตไม่เข้าไปเกาะกันโดยที่ไม่ต้องรักษาช่วงที่เราหัดภาวนาอยู่ก็ต้องคอยรักษาอยู่ช่วงสุดท้ายธรรมะนั้มารักษาจิตไม่ต้องทำอะไรธรรมะคุ้มครองธรรมะรักษาตอนนี้ยังไม่มีธรรมะรักษาจิตก็มีสติรักษาจิตไปก่อน ค่อยๆพัฒนาให้ปัญญามาช่วยรักษาจิตด้วยสติเป็นตัวรู้ทันนะปัญญาเป็นตัวเข้าใ จ, ร, าใจารู้ถูกเข้าใจถูกรู้ว่าูรอะไรเขาต้องรู้รูปนามกายใจรู้ถูกเข้าใจถูกเป็นยังไงรู้ว่าเป็นไตรลักษณ์ถ้าเราเห็นกายเห็นใจของเราเป็นไตรลักษนณะ์ดูบ่อยๆดูไปเรื่อยๆแรกๆอาจจะไม่เห็น รู้สึกตัวขึ้นมายัางไม่เห็นกายเห็นใจสแสดงใจรลักษณ์ถ้ามันไม่เห็นนะ่าช่วยมันพิจารณาก่อนช่วยมันคิดก่อนก็ได้เป็นอุบายเบื้องต้นของ ก, การคิดพิจรารณาคิดนําไหมว่าร่างกายเขาเป็นส่วนหนึ่งจิตใจก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นโค้รานกันบางท่านพิจารณากลายเป็นส่วนหนึ่งใจเป็นส่วนหนึ่งแค่นี้กายกับใจก็แยกออกจากกันได้แล้วก็ภาวนาต่อได้ mm. เห็นกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งกุศลอกุศลอยู่ส่วนหนึ่งจิตอ ย, อยู่อีกส่วนหนึ่งเป็นคนดูนะพอนาต่อได้ว่าทุกอย่างตกอยู่ใต้ใจรักษทั้งหมดเลยไม่มีตัวเราตรงไหนเลยบางคนที่บารมีมากนะเคยเจริญปัญญามาก่อนนะพอจิตรู้สึกตัวนะขันก็แยกออกเลยกายส่วนกายความสุขความทุกข์ก็ส่วนหนึ่ง so กุศลอกุศลส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งและแสดงใจรัก บางคนบารมีไม่พอก็ต้องช่วยมันหาทางแยกแยกกายแยกใจออกจากกันแยกขันออกจากกันให้ได้บางคนก็แค่นั่งไปแล้วเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูนั่งไปนานๆ น, นะเห็นร่างกายมีความปวดเมื่อยเกิดขึ้นแต่เดิมร่างกายไม่ปวดนั่งไปสักพักหนึ่งปวดขึ้นมาได้เห็นว่าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยเป็นสิ่งที่มาทีหลังเป็นอีกสิ่งหนึ่ง จิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากเป็นอีกสิ่งหนึ่งพอปวดเมื่อยมากๆเข้าจิตทุรนทุรายนะเห็นความทุรนทุรายของจิตความทุรนทุรายของจิตมันไม่ใช่ความปวดเมื่อยด้วยไม่ใช่ร่างกายด้วยเป็นอีกสิ่งหนึ่งและเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตด้วยนี่นค่อยหัดแยกอย่างนี้ก็ได้บางคนแยกไม่ออกเลยถ้าทำสมาธิมากๆแยกไม่ออกนะก็ต้องมีวิธีที่ละเอียดเข้าไปอีก แยกกายแก่ใจไม่ออกก็แยกมันทีละส่วนนะทาสมาธิแล้วก็ดูไปผมไม่ใช่ตัวเราขนเล็บฟันหนังเนื้อเย็นกระดูกดูทีละส่วนทีละส่วนนะถ้าสมาธิมากพอมันจะสลายตัวให้ดูด้วยอํานาจของสมาธิไม่งั้นที่ว่าภาวนาพิจรารณาร่างกายแล้วร่างกายหายไปเกิดมรรคผลไม่ใช่หรอกนะเป็นกําลังของสมาธิแต่ยังไม่ได้ทําวิปัสสนาจริง อย่างพอดูเส้นผมนะเส้นผมสายตัวไปหายไปหมดเลยเหลือแต่หนงังศีรษะดูไปที่หนังศีษัหนังสีสัสลายตัวเห็นหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกไปหัวกะโหลกระเบิดหายไปมาดูร่างกายนะที่เหลือเนื้อหนังหายไปหมดเลยเหลือกระดูดูกระดูกนะกระดูกแตกออกไปอีกเป็นผงชิ้นเล็กๆอยู่ที่พื้นตามดูลงไปอีกเน ไอ้ ก, ก้อนกระดูกเล็กๆนั่นสลายตัวมันเป็นแสงสว่างหายไปหมดเลยเหลือแต่จิต ด, ดวงเดียวล้วนๆเลยตัวนี้ก็ยังไม่ได้มรรคผลอะไรหรอกเป็นเรื่องของการหัดแยกขันเท่านั้นเองนะพอเหลือแต่จิต ด, ดวงเดียวล้วนๆแล้วต่อมาร่างกายเริ่มปรากฏขึ้นมันจะมีความรู้สึกชัดเจนมากเลยว่ากายกับจิตเนี่ยโค่นกันเนี่ยนะแยกขันได้กายกับจิตเป็นโค่นกัน ถ้าแยกขันได้แล้วก็มาเจริญปัญญาต่อใาจมหาบัวสอนเลยว่าถ้าแยกธาตุแยกขันไม่เป็นอย่ามาคุยอวดเราว่าเจริญปัญญานะงั้นการแยกธาตุแยกขันเนี่ยครูบาอาจารย์สอนว่าสำคัญมากกระทั่งในอภิธรรมก็สอนการเจริญปัญญาขั้นแรกเลยปัญญาขั้นที่1นึปัญญามีทั้งหมด16ขั้นในโสรถยานปัญญาขั้นที่หนึ่งเรียกนามรูปปริเฉทยานการแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันนั่นแหละงั้นทั้งปริยัติทางปฏิบัติเนี่ยตรงกันทั้งหมดนะ นี่บางคนนะดูกายกายสลายแล้วนึกว่าได้มรรคผลยังอันนี้ไม่ใช่นะมันแค่พอมีกายขึ้นมาจิตมันตระหนักแน่นอนเลยว่าร่างกายนี้กับจิตเนี่ยโคดานการ่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่จิตเดยียวเป็นเราอยู่ต้องภาวนาต่ออีกหลนะวงพ่อตอนเด็กๆด็กก็ภาวนานะร่างกายหายไปเหลือแต่จิตอเดียวแล้วดูไม่เป็นไม่รู้จะภาวนาไงไม่มีอะไรให้ดู มาเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตดูใจของตัวเองเรานั่งดูจิตไปเรื่อยยืนเดินนั่งนอนก็ดูนะดูจิตจุดูใจก็เห็นแต่ว่าจิตใจมันสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวะจิตใจเนี่ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายมีแต่ความแปรปรวนดูอย่างนี้เลยให้ดูใจรลักไปเรื่อยเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราจิตใจไม่ใช่เราภานาจนภาวนาเข้าใจแล้วนะหลวงปู่ดูรับรองว่าทําถูกแล้ว วันหนึงยังอดสงสัยไม่ได้เลยเพราะได้ยินไปที่ไหนที่ไหนนะได้ยินแต่คําสอนมาให้พิจารณากายเลยไปถามหลวงปู่ดูลุลงปู่ครับผมต้องย้อนกลับไปพิจารณากายใหม่ไหมหลวงปู่บอกว่าเอาทําไมกับกายคายเป็นของทิ้งที่เขาพิจารณากายนั้นก็เพื่อให้เข้ามาถึงจิตถ้าเข้ามาถึงจิตแล้วไม่เอาอะไรกับกายท่านสอนอย่างนี้นะดูกายก็เพื่อให้เห็นจิต ในต่อมาหลายปีต่อมานะยีกว่าปีต่อมาเนี่ยไปเจอหลวงปู่สุวัตหลวงปู่สุวั์ก็เล่าว่าท่านไ่เจอหลวงปู่มั่นมาหลวงปู่มั่นสอนท่านบอกดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้นะให้ทําความสงบทําสมถะไว้ทําสมถามีแรงเดี๋ยวก็กลับมาดูได้นะดูกายก็เพื่อให้เห็นจิตนั่นว่าอย่างนี้นะดูกายเพื่อให้เห็นจิตนะดูจิตก็เพื่อให้รู้แจ้งในธรรมะที่มากขึ้นมากขึ้น งั้นพวกเราตัดตรงการปฏิบัติเนี่ยเข้ามารู้จากจิตใจของเรานะมีสติคุ้มครองรักษาจิตเรื่อยกิเลสไรเกิดรู้ทันกิเลสไรรู้ทันนะจิตแล้วก็จะมีความสุขความสงบมีศีลขึ้นมานะจิตเคลื่อนไปรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่งรู้ทันนะรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตที่ไหลไปก็จะได้สมาธิได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมา มีสติรู้ทันจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเป็นแต่ของไม่เที่ยงเป็นของบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้นี่คือเจริญปัญญาเนะีงั้นถ้าดูจิตเป็นนะศีล ส, สมาธิปัญญาไม่ใช่เรื่องยากเลยศีลนะก็จะเกิดศีลอัตโนมัติไม่ใช่ศีลที่ต้องข่มใจกลัวทำบาปทำผิดศีลอัตโนมัตินะ้แค่มีสติรู้ทันจิตนะกิเลสเกิดขึ้นรู้ทันปุ๊บ ไม่ผิดศีลแล้วกิเลสดับไปตัวที่จะทําให้ผิดศีลไม่มีแล้วก็มีศีลอัตโนมัติขึ้นมามีศีลโดยไม่เจตนาให้มีศีลจิตเคลื่อนไปมีสติรู้ทันจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาโดยอัตโนมัติไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นมันตั้งของมันเองนี่คือสมาธิอัตโนมัตินะจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมีสติรู้ทันจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่นะเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ, างๆนาน า, นา เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายใจเราเป็นแค่คนดูอยูนะ่สุดท้ายไม่ได้เจตนาจะเข้าใจใจรักก็เข้าใจขึ้นมาว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างบังคับไม่ไดนะ้มีบางครั้งพระพุทธเจ้าสอนนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตานี่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่บางแห่งนะท่านกับสอนคนบางคนนะสอนอ น, นิจจังแล้วขึ้นอนัตตาเลยไม่มีทุกขงัง ทำไมเป็นอย่างงั้นปัญหายไปไหนในบทสวดมนต์ตอนเช้าเช้ามีนะทำวัดเช้ามีอยู่บทหนึ่งรู้สึกไม่แปลกไหมรูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาขึ้นอนัตตาไปเลยอันนี้ท่านสอนพวกดูจิตแล้วดูจิตนะเห็นอนิจจังกับอนัตตาเนี่ยเด่นมากเลยถ้าดูกายจะเห็นตัวทุกข์เด่นนะท่านสอนขันขันเนี่ยเหมาะ ก, กับพวกดูจิตนะ ถ้าอายตนะเนี่ยหมาะกับพวกดูกายนะถ้ า, าธาตุเหมาะกับพวกชอบรู้มากนะาธาตุกรรมฐาน18อย่างอินทรีย์ยนะีเหมาะกับพวกดูจิตปฏิจจสมุปบาทเหมาะกับพวกดูจิตกรรมฐานมีหลายระดับนะมีเยอะแยะเลยไม่ใช่มั่วซั่วนะเนื้อเอาเองรูปไม่เที่ยงรูปเป็นอนัตตาสอนอย่างนั้นเลย เวลาที่เราดูกายเนี่ยเราจะเห็นทุกเด่นร่างกายจะดูร่างกายให้เป็นอนิจจังดูยากร่างกายอายุยืนรูปมานอายุยืนกว่าน้ำจนะดูร่างกายให้เป็นอนิจจังยากดูร่างกายเป็นอนัตตาก็าดูยากนละ้มันก็ตัวเราอยู่ทนโทษกข์จะดูให้เห็นตัวทุกข์เนี่ยดูง่ายนั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์นะพริกซ้ายพลิกขวาตลอดเวลาเปลี่ยนอิเดียบทตลอดเวลาก็าเพื่อหนีทุกข์ หายใจออกก็ทุกข์นะหายใจเข้าก็ทุกข์ถ้าใครไม่เชื่อว่าหายใจออกก็ทุกข์ก็ลองหายใจออกไปเรื่อยๆอย่าหายใจเข้าดูหายใจออกเรื่อยๆนัก็ทุกข์แล้วต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์หายใจเข้าเรื่อยๆก็ทุกข์นะต้องหายใจออกเพื่อแก้ทุกข์นี่เวลาเรามีสติรู้อยู่ในกายนะเราจะเห็นตัวทุกข์เนี่ยเด่นมากเลยนะเราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถขยับตัวเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยในตำราถึงบอกว่าอิริยาบถปิดบังทุกข์นะ ส่วนพวกดูจิตดูใจนี่ไปดูจิตเป็นทุกข์ดูยากนะ <_ Late> ยกเว้นทรงฌานจริงๆถ้าทรงฌานจริงๆเวลาจะแตกหักข้ามภพข้ามชาติเนี่ยจะเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์แต่ถ้าไม่ได้ทรงฌานจะเห็นอนิจจังอนัตตาอนิจจังดูไงจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์มีความสุขขึ้นมาแล้วความสุขก็ขาหายไปนี่เรียกว่านิจจังมีความทุกข์ขึ้นมาแล้วความทุก ข, ข์ก็หายไปนี่คืออนิจจังเป็นกุศลแล้วก็หายโลภโกรธหลงขึ้นมาแล้วก็หายนี่เรียกว่าเห็นอนิจจัง เห็นอนัตตาเห็นยังไงเห็นว่าเราบังคับไม่ได้เราสั่งจิตให้ดีมันก็ไม่ดีนะห้ามจิตชั่วมันก็จะชั่วอย่าบอกอย่าไปคิดเรื่องนี้มันก็จะคิดห้ามมันไม่ได้นะสั่งว่าจงเป็นกุศลอย่างเดียวนะไม่ได้จง อ, อย่าโกรธอย่าโลภอย่าหลงสั่งไม่ได้จงมีความสุขอย่างเดียวสั่งไม่ได้จงอย่าทุกข์ ran. สั่งไม่ได้ดูของจริงลงไปจนเห็นว่าจิตนี้ไม่อยู่ในอำนาจเลยนะอย่างนี้เรียกว่าเห็นอนัตตา นั้นดูกายเราจะเห็นทุกได้ง่ายนะดูจิตจะเห็นอนิจจังอนัตตาง่ายงั้นบางสูตรเนี่ยท่านสอนเลยอนิจจังทุกขังอนัตตานะสอนคลุมไว้บางสูตรสําหรับพวกที่ชอบดูจิตเนี่ยท่านสอนอ น, นิจจัง้วขึ้นอนัตตาให้ดูเลยนะพระสูตรมีตั้งหลายแบบไหมพระพุทธเจ้าท่านเป็นธรรมราชาท่านเปนเจ้าของธรรมะท่านมีความรู้เยอะท่านแจกแจงธรรมะได้มากเป็นพระควาโตผู้จําแนกแจกทำงั้นธรรมะไม่ได้มีอันเดียว ธรรมะมีหลากหลายมหาศาลเลยที่ท่านสอนเอาไว้เพราะจริตนิสัยของคนไม่เหมือนกันการปฏิบัติธรรมถึงต้องดูจริตนิสัยของตัวเองว่าเราควรจะทำกรรมฐานอะไรดูจากจริตนิสัยจะทำสมถะก็ดูว่าเรามีจริตแบบไหนราคะจริตโทสะจริตโมหจริตมีตกจริตศรัทธาจริตพุทธิจริตเนี่ยแต่ละจริตก็มีอารมณ์กรรมฐานที่จะใช้ทำสมถะไม่เหมือนกัน ถ้าจะทำให้ปัศ น, นากรรมฐานมีสองจริตเองชื่อตันหาจริตกับทิฏฐีจริตตันหาจริตพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามให้ดูกายทิฏฐีจริตพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นให้ดูจิตนะกรรมฐานมีตั้งเยอะนะเราอย่าไปเรียนแบบคนอื่นเราต้องดูของตัวเราเองว่าเราเหมาะกับกรรมฐานชนิดไหนเหมือนเราไปซื้อเสื้อก็ต้องดูเสื้อที่ซื้อมาให้พอดีกับตัวเรานะไม่ใช่ว่ามันสวยถูกใจนะอันนี้หรูหราดี ตัวเล็กนิดเดียวนะซื้อมาแล้วเราก็ผอมไม่ลงนะตัวใหญ่กว่าเสื้อต้องไปอดข้าวเพื่อจะใส่เสื้อสวยๆใส่ได้นั้นแต่หน้าตาโทมมากเลยมันผีตายซากพราะลดน้ำหนักเยอะอะไรเงี้ยไม่สวยอีกแล้วหรือไปซื้อเสื้อมาตัวใหญ่ไปก็กินข้าวให้เพิ่มจะได้ตัวใหญ่เท่าเสื้อแล้วใส่ให้เสื้อพอดีให้ได้โง่มากเลยหาเสื้อผ้าก็หาให้พอดีกับตัวหากรรมฐานก็ต้องพอดีกับใจของเรานะ จริตนิสัยเราเป็นยังไงเอาอย่างนั้นอย่าเรียนแบบคนอื่นอย่าเรียนแบบเพื่อนอย่าเรียนแบบครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ดีที่เลิศนะอย่างหลวงปู่ดูลเนี่ยสอนกรรมฐานลูกศิษย์นี่ไม่มีเหมือนกันเลยสอนแต่ละคนสอนคนนี้อย่างนี้สอนคนนี้อย่างนี้ไม่เหมือนกันหรอกนะแต่ถ้าบางท่านท่านท่านเข้าใจบางส่วนนะท่านจะสอนในส่วนที่ท่านเข้าใจนะแต่ถ้าท่านที่ท่านเก่งจริงๆนะท่านสอนกรรมฐานตามจริตนิสัยของลูกศิษย์นะแต่ละคนท่านสอนไม่เหมือนกันหรอก หลวงพ่อไม่เก่งอย่างหลวงปู่ดูลน อ, อกหนะลวงพ่อเลยสอนหลักการที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ให้พวกเราไปดูตัวเองนะว่าเราเหมาะกับกรรมาฐานชนิดไหนอย่าเรียนแบบคนอื่นนะต้องดูของเราเองแต่ว่ามันอยู่ในหลักกันเดียวกันนะต้องมีสตินั่นแหละมีศีลพัฒนาศีล ส, สมาธิปัญญาขึ้นมาส่วนจะดูกายหรือดูจิตอะไรนีเป็นเรื่องทีหลังหรอกจิตมันถนัดอะไรเดี๋ยวมันก็ไปดูของมันเองะนะนะ การหลวงพ่อครับอืมผมปฏิบัติโดยใช้ดูลมเป็นวิหารธรรมครับอื ม, อมแต่ติดปัญหาเรื่องของการติดเพ่งและติดประคองครับผมแล้วเวลาดูลมนะเบื้องต้นอย่าโลภถ้าเราเริ่มต้นได้โลภนะเราอยากปฏิบัติเริ่มจากอยากปฏิบัตินะพอจะดูลมเนี่ยเราจ้องใส่ลมพอเราไปจ้องใส่ลมจิตจะเคลื่อนไปอยู่ที่ลมและติดเพ่งถ้าจะดูลมอย่าเพิ่งหลับตานะถ้ายัางติดเพ่งอยู่อย่าเพิ่งหลับตา ลืมตานี mind, ่แหละหายใจไปแล้วก็ดูร่างกายหายใจเหมือนเห็นคนอื่นหายใจเหมือนเราดูคนที่นั่งใกล้ๆเราหายใจแต่ไอคนนี้มันนั่งใกล้มากมันนั่งตรงนี้เลยนะดูเหมือนดูคนอื่นใจนีไปคิดไหมหนีไปคิดครับหนีไปคิดให้รู้ทันนะต่อไปเอาแบบนี้นะหายใจไปรู้สึกตัวไปเห็นเหมือนเห็นคนอื่นหายใจแต่เมื่อหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดให้รู้ทันจิตไหลไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจให้รู้ทันหายใจแล้วรู้ทันจิตไว จิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้นะถ้าถ้าจิตไม่หนีไปคิดจิตไม่หนีไปเพ่งก็รู้สึกตัวไปเห็นร่างกายหายใจเหมือนเห็นคนอื่นหายใจพอจำได้ไหมจำได้ครับจำได้แน่นะพูดตามได้ไหมพูดอธิบายได้ไหมบางคนนะ่ตื่นเต้นนะสาธเตรียมคาถามมาอย่างดีเลยเดินทางมาแสนไกลนะพอคว้าหมา่เขาตกใจนะกลัวหม่กลัวไม่ถามไปคนละเรื่องกับที่เตรียมไว้นะ หลวงพ่อก็ตอบไปอีกเรื่องหนึ่งธรรมดาเวลาหลวงพ่อตอบคําถามนะไม่ค่อยตรงคําถามหรอกแต่มักจะตรงใจหนีไปคิดหรือยังหนีไปคิดให้รู้ทันหายใจสิหายใจแน่นเกินไปไหมแน่นครับออถ้าแน่นเนี่ยตรงใจรวบจิตเข้ามานะหายใจสบายหายใจด้วยความรู้สึกผ่อนคลายอย่าลืมคําว่าผ่อนคลายนะ เคล็ลับของการทําสมาธิคือความสุขถ้าหายใจด้วยใจที่ผ่อนคลายจิตจะสงบอย่างรวดเร็วเลยหนีไปคิดหรื อ, อยังหนีไปคิดแล้วครับหนีไปคิดให้รู้ทันจิตฟุ้งซ่านหรือจิตสงบฟุ้งซ่านครับจิตฟุ้งซ่านให้รู้เฝ้าฟุ้งซ่านเก่งนี่ถามที่ไรตอบได้ทุกทีเลยอยากให้สงบไหมอยากให้สงบครับนั่นแหละตายตอนนี้แหละตายตรงอยากนี้เองเห็นไหมที่หลวงพ่อบอกแหละมันถือไว้เพ่งไง ถ้าคุณรู้ทันใจที่อยากนะมันก็ไม่เพ่งหรอกไ ป, ไปจัด ก, การตัวนี้แหละอ้ามหมดแล้วนะคว น, นี้